สายพุทธการมีอุบาสุบาศิกาคู่หนึ่งเป็นสามีภรรยากันแล้วก็เรียกว่าเป็นแบบอย่างนะของคู่ครองนะที่พู้เจ้านะสารรเสริญคือน ก, กุลบิดาน ก, กุลมารดาหรือน ก, กุลมาตาก็าคือพ่อแม่ของน ก, กุล สองคนนี้ก็รักกันมากแล้วก็เอื้อเฟื้อเกอื้อกูลกันในทางธรรมเรียกว่ามีศีลเสมอกันมีความใฝ่ธรรมเสมอกันต่อมาคุณบิดาก็ป่วยหนักก็ป่วยอาการก็แย่ลงไปเรื่อยแต่ว่า ก็ไม่ยอมตายสักทีแ้วคุณมันดาก็เดาว่าเนี่ยแ้วคุณบิดาคงจะมีความกังวลมมีความห่วงความห่วงกังวลนั้นก็คงไม่ได้ห่วงใครนะก็ห่วงภรรยา ก็เลยพูดกับนกูลบิดาว่า๋ยวได้ห่วงเลยนะว่าเราจะเลี้ยงดูลูกแล้วก็ดูแลบ้านเรือนไม่ได้ขอยมั่นใจว่าเราจะดูแลลูกแลวดูแลบ้านเรือนได้๋ยวได้ห่วงเลยนะว่าเราจะไปมีชายอื่นเราจะไม่มีชายอื่นอย่างแน่นอนอย่าได้ห่วงนะว่าเราจะไม่ ดูพระพุทธเจ้าแล้วก็พระสงฆ์ทั้งหลายเราจะดูแลแล้วก็จะเข้าหาใกล้ชิดพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทั้งหลายจะได้หวงว่าเราจะเสื่อมจากศีลเราก็จะนับถื อ, อยังรักษาศีลอยู่ยวได้หวงว่าเราจะไม่มีความสงบใจ เราจะมีความสงบใจอย่างแน่นอนเีย่ได้ห่วงนะว่าเราจะมีความคลางแคลงสงสัยในพระธรรมคำสอนเราจะไม่มีความคลางแคลงเลยพอพูดอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าให้ความมั่นใจนะกับนั ก, กุลบิดาเพราะว่านั ก, กุลบิดาก็อาการก็ดีขึ้นเลยนะ ดีขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็กลับมาเป็นปกติได้แทนที่จะตายนะก็กลับปรากฏว่าฟื้นขึ้นมาได้อันนี้ก็ดูเป็นเรื่องแปลกว่าคนที่ใกล้จะตายเนี่ยเหยียวยายังไงก็ไม่ดีขึ้นนะแต่พอได้ฟังคาพูดของภรรยา เท่านี้แหละนะก็ดีขึ้นมันเลยเรืยอวันนี้มันไม่ใช่มีแต่เฉพาะในในพระไตรปิฎกนะก็เคยได้ยินแล้วก็จะเรียกว่ารับรู้ก็ไม่เชิงนะแต่ว่าก็อยู่ใกล้ใกล้กับเหตุการณ์นะก็คือสมัยที่ไป รามาาที่ประเทศอังกฤษเมื่อ25ปีที่แล้วนะที่วัดอมารวดีก็มีภาพ ร, รูปหนึ่งที่วัดป่าจิตวิเวชิตเฮอร์สนะอันนี้เป็นวัดพี่วัดน้องมืับสุกโตกับผูหลงอนะ่ะวัดปาจิตวิเวกเกิดก่อนนะแล้วก็ตามมาด้วยวัดอมารวดีมีภา ร, รูปหนึ่งยุท ประมาณ30สามสบกว่าเกือบสี่สิบแล้วมั้งท่านก็พรรษาประมาณเก้าร้สิบพรรษาก็ป่วยป่วยกระสอบกระแสะมาตลอดแล้วก็รักษายังไงก็ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่ดีขึ้นประเดียวประเดียวประเดียวประดาแล้วก็ ก็แย่ลงแล้วก็ต่อมาก็ซุดลงซุดลงซุดลงโดยที่ไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไรอ่อนแอไม่มีเลือดไม่มีแรงนะแล้วก็อาการก็ซุดหนักลงนะจนกระทั่งเร็วว่าเรียกว่ารอวันตายช่วงที่ป่วยนี้ก็มีเพื่อนพระมาะให้กําลังใจไม่ฉี่ด้วยนะทุกคนก็พูดทํานองว่าก็ให้สู้นะ ให้สูนะ้อย่าท้อแท้นะพยาอมให้กำลังใจนะเพราะท่านเป็นพระที่มีคนรักเยอะเป็นพระนิสัยดีแต่ไม่ว่าจะให้กำลังใจไงท่านก็แย่ลงไปเร้่อยเร่ยจึงทังวันหนึ่งอาจารย์สมัยโทก็ไปเยี่ยมอาจารย์สมัยโทอยู่วัดอมรบดี ก็ไปเยี่ยมแล้วก็พูดกับพระรูปนี้ซึ่งเป็นลูกศิษย์ว่ากิริสาโรท่านจะตายก็ตายได้นะไม่ต้องพยายามให้หายก็เพราะว่าพระรูปนี้ร้องไห้เลยนะร้องไห้ไม่ใช่เสียใจยที่ครูบาอาจารย์พูดแบบนี้ ทนที่จะให้กำลังใจมามาส่งเสริมให้ตายแต่ว่าดีใจปรับพื้มใจที่เหมือนกับว่าอาจารย์สุมเมโทเนี่ยยกภูเขาจากอกคือตลอดเวลาที่ผ่านมาตัวเองก็พยายามดิ้นรนที่จะที่จะทำให้ตัวมีสุขภาพดี ยิ่งเพื่อนมาให้กำลังใจก็ยิ่งต้องรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่จะต้องทําให้สุขภาพดียิ่งขึ้นะให้สมกันที่เพื่อนให้กําลังใจแล้วก็ไม่อยากให้เพื่อนผิดหวังก็เลยมีการพยายามที่จะดินนด้นรนดิ้นรนที่จะสู้กับโรคแล้วพอความตายมันใกล้เข้ามานี่ก็ยิ่งสู้ใหญ่ ไม่อยากให้เพื่อนผิดหวังนะแต่พอหลวงพ่อสุเมโทพูดแบบนี้เข้าเหมือนก็ว่าเออใจไม่ต้องดิ้นรนแล้วหลวงพ่อเนื้อให้ตายนะนะก็เลยใจก็เลยปล่อยเลยนะไม่ดินน้นรนไม่ต่อสู้กับความตายไม่ดิ้นรนต่อสู้กับความเจ็บป่วย ปรากฏว่ามันกลับดีขึ้นนะแล้วนันก็หายวันหายคืนนะแล้วก็กลับมาเป็นปกตนะิทั่วนี้เขาจะยังมีชีวิตอยู่นะแต่ว่าท่านได้ศึกไปแล้วก็ก็ไปสอนธรรมะที่แอฟริกาใต้ เรื่องนี้สองเรื่องนี้คยคลายกันนะคนที่ใกล้จะตายแล้วแล้วก็ก็ดูมีความทุกข์มากแต่ว่าพอได้ฟังคำพูดไม่กี่ประโยคก็ดีขึ้นทันทีคมพูดเหล่านั้นเนี่ยเนื้อความก็แตกต่างกันนะแต่ว่ามันมีผลเหมือนกันก็คือว่า ทำให้คนป่วยเนี่ยเขาสึกคลายกังวลเขารู้สึกว่าไม่จำต้องดิ้นรนต่อสู้ขัดขืนความตายแนละ้วพอได้ยินก็ปล่อยเลยนะความกังวลก็หายไปทั้งสองคนเนี่ยก็กังวลนะคนหนึ่งกังวลเป็นห่วงเมียนะ ห่วงเมว่าจะไม่เจริญงอกงามในธรรมอีกคนนึงก็ห่วงเพื่อนพระว่าจะผิดหวังจะเป็นทุกข์เป็นทุกข์ว่าอะไรเป็นทุกข์ที่เราแย่ลงแย่ลงเป็นทุกข์ที่เราจะต้องตายแต่พอได้ฟังคําพูดของคนที่ตัวเอเคารพเนี่ยแล้วก็ ก็เลยหมดห่วงพอหมดห่วงก็ไม่ดิ้นรนต่อสู้ขัดคืนความตายยอมยอมแล้วอพอยอมนี่แหละนะก็ปกรากฏว่าจิตใจก็ดีขึ้นพอดีขึ้นร่างกายก็ดีขึ้นไปด้วยนะพอร่างกายดีขึ้นในสุดก็กลับมาเป็นปกติในกรณีของ พระกิติสาโรนี่ก็ก็คงมีเรื่องยามีเรื่องอะไรมาช่วยในรหว่างที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาด้วยพอใจสบายแล้วเหมือนกับว่าร่างกายก็ตอบสนองกับยาอันนี้มันก็มันก็มีหลักยว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวพอ ใจสบายนะใจไม่ต่อสู้ขัดคืนความตายไม่มีความทุกข์ทรมานแล้วนะร่างกายก็สนองตอบต่ อ, อยาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่องนี้ชี้ใเห็นนว่าเมื่อไรก็ตามที่จิตเนี่ยมันต่อสู้ขัดคืนกับอะไรก็ตามเนี่ยมันทุกข์มากแล้วนะคนที่ใกล้ตายในทุกข์ทรมานอย่างความทุกข์ทรมาน ก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากความตร็บความป่วยทางกายแต่มันเกิดจากการที่จิตเนี่ยมันต่อสู้ดิลน์ขัดถืนกับความตายต่อสู้ดิลน์ขัดขืนกับความพัดพรากสูญเสียที่กำลังจะเกิดขึ้นยิ่งต่อสู้ขัดขืนจิตก็ยิ่งเป็นทุกข์นะ จ, จิตที่เป็นทุกข์ก็มันก็ทําให้ร่างกาย ก, ก็แย่ลงไปแย่ลงไ ป, งไปโดยที่บางทีเจ้าตัวก็ไม่รู้ตัวเหมือนกัน คนเรานี่ไม่ได้ไม่ได้ทุกเฉพาะเรื่องนั้นเรื่องนี้นะแต่ก็ใหญ่ใจความคือมันทุกเพราะจิตมันดิ้นรนขัดขืนต่อสู้ความทุกข์ใจเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อจิตมันดิน้นดิ้นต่อสู้ขัดขืนทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะไม่ใช่เฉพาะความตา ย, เ, ยเวลาเจอเสียงดังเนี่ยจิตมันก็ต่อสู้ผักใส นะกับเสียงที่ดังเข้ามาจะเป็นเสียงรถเสียงพูดคุยนะอาจจะไม่ดังเท่าไหร่แต่ว่าพอจิตไม่ชอบมันเกิดความชั่งก็ต่อสูนะ้แล้วก็ทุกขนะ์ทุกข์เพราะตรงนี้นะไม่ใช่ทุกข์เพราะเสียงมากระทบผูนะแต่ทุกข์เพราะใจนี่มันก็ไปผักใสมันมีการดิ้นนะ ดินในทางผักใสหลวงพ่อชาตนึงบอกว่าเสียงมหารสพบในหมู่บ้านที่มันดังมาถึงในวัดเนี่ยตนพระไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนแล้วก็พระก็อยากให้หลวงพ่อไปพูดกับชาวบ้านให้หยุดส่งเสียงดังหลวงพ่อาก็ไม่ทำท่านก็บอกว่าเนี่ยเสียงมันไม่ได้รบกวนเรานะแต่เราไปรบกวนเสียงดังหาง เราในที่นี้คือจิตใจของเราเมันไปรบ ก, กวนเสียงึ้อมันไปต่อสู้ดินน้นหล่นทะเลาะบ่อแหวงกับเสียงนั้นจิดที่มันดินน้นจิตที่มันพยายามผลักไสก็คือจิดที่ทุกเสียงไม่ได้ทำให้ทุกสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางนิ้วทางกายหรือแม้แต่ทางใจเนี่ยไม่ได้ทำให้ทุกใจ แต่ทันทีที่ใจมันไปดิน้นลนผักใสต่อสู้ไม่ยอมรับขัดขืนนี่แหละมันทุกทันทีแต่พอจิตมันยอมรับได้นะเออยอมรับว่าเออมันเป็นธรรมดาหรือยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นเองตะทัตาเป็นเช่นนั้นเอง อย่างที่หลวงพ่อคิดว่านี่ยความตายเป็นเช่นนั้นเองเรารับความตายได้หรือยอมรับอะไรก็ได้เนี่ยพอเรายอมรับมันได้มันเป็นธรรมดายอมรับมันเป็นความจริงที่เกิดขึ้นแล้วหรือเห็นโทษว่าของการที่เข้าไปต่อสู้ขัดขืนมัน พอเห็นโทษมันก็ไม่ทำพอไม่ทำใจยอมรับด้านก็เกิดความสงบเกิดความเป็นปกติขึ้นมาให้เรามองเห็นตรงนี้ให้ชัดนะเนี่ยคือสมุทยนี่คือสมุท ย, ม ไ, ทยไม่ใช่สิ่งภายนอกที่เรารับรู้หรือมากระทบกับเรา จะเป็นไม่ใช่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือธรรมารมหรือเหตุการณ์สถานการณ์แต่ว่ามันคือมันเป็นเพราะใจนี่แหละมัน เ, นเพาะการขัดขืนต่อสู้แล้วธรรมชาติของจิต น, นะพอเราขัดขืนต่อสู้นะัมันก็ไปยึดเลยนะมันก็เข้าไปยึดนะยิ่งขัดขืน ยิ่งต่อสู้มันก็ยิ่งยึดเหมือนกับมันก็บ่วงนะถ้าเกิดว่าขาของเราหรือขาของสัตว์เนี่ยมันไปติดบ่วงเนี่ยแล้วมันก็พยายามจะดิ้นเพื่อที่จะออกไปให้ได้ยิ่งดิ้นเท่าไหร่เนี่ยบ่วงมันก็ยิ่งรัดแน่นทั้งที่ดิ้นก็เพื่อจะได้ออก การไปต่อสู้กับบวงเนี่ยนะด้วยการดิ้นสะบัดเนะี่ยอันนี้ก็เป็นการดิ้นลนไ ข, ข่คืนแบบหนึ่งนะพอดิ้นลนอยากจะออกจากบวงมันก็ยิ่งรัดแน่นรัดแน่นนะยิ่งยิ่งผักสายยิ่งดิ้นลนนะที่จะหนีมันก็ยิ่งติดหนักนะให้ความยึดติดเนี่ยหรือว่าความบีบรัดเนี่ยมัน กับการพยายามที่จะดิ้นให้หนีออกไปมันเป็นอ e ันเดียวกันเลยนะยิ่งดิ้นเท่าไหร่ยิ่งหนีเท่าไหร่มันก็ยิ่งบีบรักให้ติดนั่นมากขึ้นยิ่งพยายามกําจัดผลักไสมันก็ยิ่งรบกลัวนรังควานเมือนก็นเวลาเราขันนี่นะคันนะคัน เพราะว่ายุงกัดหรือว่าเพราะเห็บหรือ ห, หมัดกัดนี่นะเราคันแล้วเราก็พอคันเราก็เกาใช่ไหมเราเกาเพื่ออะไรเพื่อจะหายคันแต่ยิ่งเกาเพราะอยากจะหายคันเนี่ยมันก็ยิ่งคันหนักเข้าไปใหญ่มันก็ยิ่งต้องเกาให้หนักเข้าไปยิ่งเกาก็ยิ่งคั น, นยอย่างที่เขาบอกเราเกาเพื่อจะได้หายคันแต่ว่า มันกับขันหนักเข้าไปใหญ่ยิ่งดิ้นนะจากบวงมันก็ยิ่งรัดเข้าไปใหญ่ยิ่งผลักไสมันก็ยิ่งยึดติดเนี่ยยิ่งต่อสู้นะดิ้นรนนะกับมันมันก็ยิ่งเล่นงานลำหนักนะที่บอกว่าทุกเนี่ยเกิดเพราะความยึดติดเนี่ยกับทุกเกิดเพราะการผลักไสเนี่ยนะมันก็ที่จิมก็อันเดียวกันนะั่นนะ เราผลักไสสิ่งที่ไม่ชอบมันก็เลยยิ่งยึดติดกับสิ่งนั้นมากขึ้นในสองเดียกันจิตมันก็ดิ้นอีกคักขณะหนึ่งด้วยนะดิ้นเพราะอยากดิ้นเพราะอยากอยากได้ดิ้นมันมีสองอย่างดิ้นดิ้นแบบดิ้นหล่นต่อสู้ขัดขืนกับดิ้นเพื่อจะได้จะได้เอาจะได้มีนี่ก็ทําให้ทุกข์นะพออยากได้ปุ๊บนี่มันทุกข์เลย ที่แรกก็อยู่ที่แรกก็ไม่มีอะไรก็อยู่เฉยเฉก็มีความสุขดีนะแต่ ท, ทันทีที่มีความอยากเกิดขึ้นนี่มันทุกข์เลยความอยากเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าเห็นคนหนึ่นเขามีได้ยินว่าคนนั้นเขามีคนนี้เขามีคนนั่นเข า, นนเขาไปไปไปขอหวยที่นั่นที่นี่ถูกหวยนะก็อยากถูกบ้าง ตอนนี้อยู่บ้านไม่ติดแล้วจะต้องไปหาเก จ, จิอาจารย์คนนั้นให้ได้นะถ้ารวยหน่อยเห็นบ้านนั้นมีมีรถสปอร์ตให้เรามีแค่รถกระบะหรือว่ารถเก๋งธรรมดาเห็นเขามีบ้างก็อยากจะมีพอมีความอยากปุ๊บนี่มันทุกข์เลยนะเด็กก็เหมือนกันนะ เพื่อนมีไอโฟนแท็บเล็ตตัวงนี้ก็มีเยอะแยะอยู่แล้วนะแต่พอรู้ว่าเพื่อนมีนั่นมีนี่ที่ตัวอยังไม่มนะีความอยากเกิดขึ้นเลยแล้วมันก็ทุกข์งอแงรบวิงวอนร้องขอหรือว่ารบเรา้าพ่อแม่ซื้อแล้วมันทุกข์เพราะความอยากนะไม่ใช่ทุกข์เพราะอะไร แต่พออยากได้อะไรนะมันก็มีความกลัวเกิดขึ้นอยากได้คือกลัวไม่ได้เนะด็กรบเลาอยากจะให้พ่อซื้อให้พ่อก็ ก, ก็รับปากนะเพราะทนลำคาญไม่ได้เด็กก็ดีใจนะแต่ในแง่หนึง่งเด็กก็กลัวว่าพ่อจะไม่ซื้อให้ อยากได้ความสำเร็จนะอยากให้งานสำเร็จนี่ยมันก็กลัวจะล้มเหลวหรือว่ารักใครใหญ่เขาอยู่กับเราไปนานๆก็กลัวกลัวเขาจะทิ้งเราไปหรือกลัวเขาจะจากเราไปจากไปก็หมายว่าจากตายก็ได้หรือจากเป็นก็ได้ัน้นยิง่งรักท่าหมันยิ่งมีความระแวง ยิ่งรักที่แล้วยิ่งมีความทุกข์นะเพราะว่าความอยากความกลัวนี่มันมาด้วยกันรักก็คือว่าอยากเมื่อรักเข้ามา ก, ก็อยากให้เขาอยู่กับเราไปตลอดอยู่กับเราอย่างใกล้ชิดก็กลัวกลัวว่าเขาจะจากเราไปเขาจะทิ้งเราไปก็ทําให้เกิดความระแวงทําให้เกิดความหึงหวงนหึงหวงความระแวงแล้วก็ร่วมเันของคู่กัน อยากได้ความสงบนะปฏิบัติทรมาไว้ก็อยากได้ความสงบแต่ลึกๆก็กลัวว่าจะไม่สงบนะมันก็ยิ่งพยายามบังคับจิตมากขึ้นนะบังคับจิตจนเกรงจิตไม่สมดุลก็เลยไม่สงบยิ่งอยากจะสงบมันก็ยิ่งไม่สงบ น, นี่นักปฏิบัตินะรู้ดีนะถ้าปฏิบัติมา น, นานๆอยู่รื่อย ๆ, ๆไอ้ความอยากสงบเนี่ยมันทําให้ไม่สงบเมื่อวานนี้ทําสบายๆรู้สึกสงบมากเลยดีวันนี้อยากจะได้แบบเมื่อวานมัน้งมันก็เลยไปพยายามบังคับนในในระหว่างที่พยายามบังคับก็มีความกลัวจะไม่สงบกลัวจะไม่ได้อย่างที่อยาก ก็ยิ่งทำหนักเข้าก็ใหญ่บังคับหนักเข้าไปใหญ่อย่างนิพพานนะอย่างนิพพานก็ก็ทําให้ทุกข์นะทุกข์เพราะความอยากและทุกข์เพราะกลัวว่าจะไม่ได้อย่างที่อยากมันสองทุกข์เลยนะไอความอยากเนี่ยตัวมันเองก็ทําให้ทุกข์อยู่แล้วเพราะมันทำให้จิตมันดิ้นดิ้นจะทะยานเข้าไปหา ยัไม่ต้องทําอะไรนะแค่ยามก็ทุกข์แล้วเพราะว่ามันมีความจิตดินอาจจะคลายความทุกข์ได้จากการนึกฝันว่าเออถ้าได้มาแล้วจะมีความสุขยังไงบ้างยิ่งทาให้ยึดติดในสิ่งนั้นมากขึ้นยิ่งอยากได้หนักเข้ากึ้นไปแล้วยิ่งอยากก็ยิ่งดิ้นนีย่ยเป็นแค่เยังไม่ทันลงมือเลยมันก็ทุกข์แล้ว แล้วยิ่งลงมือนะที่จะทำตามความอยากมันก็เหนื่อยนะต้องออกแรงต้องตื่นแต่เช้าหรือว่าต้องต้องไปต่อสู้ดิ้นรนกับผู้คนนะอยากได้ไอฟโฟ e ก็ต้องนะก็นอนไม่หลับเลยนะเพราะว่าวันรุ่งขึ้นนี้เขาจะเปิดขายวันแรกนอนไม่หลับนะต้องตื่นแต่เช้านะตีสามตีสี่ไปเข้าคิว ตอนที่เข้าคิวก็ทุกนะว่าถึงพอถึงเรานี่ของมันจะหมดหรือยังเปิดลานเก้าโมงก็โอ้ยนะใจนี่ร้อนรุมเลยนี่เราทุกข์เพราะความอยากเนี่ยทุกข์เพราะดิ้นหลนนั่นเขาว่าเขาว่าจิตเนี่ยเวลามันดิ้นเนี่ยมันมา ด, าาา ด, า ด, นนดิ้นเพราะอยากจะได้หรือว่าดิ้นหลนขาดขืนเพราะอยากจะ ักออกไปมันก็ทำให้ทุกข์ตัวนี้คือสมุทยัยนะซึ่งมันก็ทางพระบารก็เรียกว่าตัณหาอุปาทานตัณหาอุปาทานซึ่งก็เกิดขึ้นจากกิเลสนั่นแหละหรืออวิชชาตัณหาอุปาทานมันก็คือกิเลสกิเลนี่ก็เล่งถึง สาเหตุที่จิตนะแต่ถ้าตัวการใหญ่จริงๆคืออวิชชาซึ่งเป็นเรื่องของของปัญญาที่มันบกพร่องไปมาพูดเรานี่แยกแยกจิตกับปัญญาออกจากกันนะชาวบ้านเรียกว่าใจนะแต่ว่าทางพุทศาสนาก็แยกจิตอันหนึ่งปัญญาอันหนึ่งมันไม่ได้แยกกันเด็ดขาดแล้วมันก็มันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติถ้าแยกวันนั้น ปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องของจิตนะแต่อวิชชาเนี่ยเป็นเรื่องของการบกพร่องทางปัญญา เ, เมื่อมีวิชาไม่มีปัญญามันก็เกิดกิเลสกิเลสก็ปรุงมาเป็นตัญหาหรือว่ามานะทิฐิทิฐิในที่นี้หมายถึงการยึดติดในทิฐินะไม่ใช่ทิฐิธรรมดา หรือว่าโลภะโทสะส่วนโมหะนี่เป็นเรื่องของการที่ขาดปัญญาก็เกิดโมหะพอมีโมหะแล้วก็จิตมันก็ทยานอยากทยานอยากก็เกิดโลภะทดิ้นผักสายก็เรียกโทสะการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการทำให้ให้โดยเพราะถ้าเป็น ถ้าเป็นสมถะก็เป็นแค่การไปทาที่จิตให้สงบจิตสงบโลภะเบาบางโทสะเบาบา ง, บาบางแต่อาจจะไม่ได้ช่วยลดโมหะร้ำอาจจะโมหะมากขึ้นก็ได้ถ้าเกิดว่าไปติดในความสงบสมถะนี่มันช่วยแค่บรรเทาโลภะโทสะแต่ไม่ได้ทำอะไรกับโมหะ แต่ลดโมหานี่ก็ต้องใช้วิปัสสนานะวิปัสสนาทําให้เกิดความรู้แจ้งพอแจ้งแล้วเนี่ยเกิดปัญญาโมหะอวิชาก็หายไปนะพอวิชาหายไปไตัวกิเลสมันก็ไม่มีที่ตั้งนะเรียกว่าไกลจากกิเลสไกลจากกิเลสมดกิเลสเพราะว่ า, ม, าวมีปัญญารู้ว่า ไม่มีอะไรที่ยึดติดถือมันได้เห็นความจริงว่ามันไม่มันมันแปลเปลี่ยนเป็นนิดพึ่งผ้าอาศัยและไม่ได้แล้วที่มันคือมันไม่มีความยึดในมันไ ม, ม่เห็นความจริงว่าไม่มีกูของกูไม่มีอะไรที่เป็นกูของกูเลยแล้วก็ทุกอย่าง ก, ก็ทุกทั้งนั้นไม่รู้จะอยากไปทําไมไอ้สิ่งที่อยากได้เพราะเห็นว่ามันเป็นสุขแต่ที่จริงมันทุกทั้งนั้นแล้วที่อยากเพราะอะไรก็คืออยากยากูอยากอยากไปอยากให้เป็นของกู แต่ไม่รู้ว่ากูัของกูไม่มีจริงนะถ้าไม่มีกูสักอย่างใครด่าอะไรมาก็ไม่ทุกขนะ์เพราะที่ทุกข์ก็เพราะว่ากูถกากัถูกด่ากูัถูกด่ากูเจ็บกูเจ็บเสียหน้ากูมันมีกูเท่านั้นมันถึงโกรธนละกูกับโกรธนี่มันของคู่กันแล้วกูกับกินกามเกลียก็ของคู่กันเมื่อมีกูก็อยากนะ ก็แสวงหากินกามเกลียดมาเป็นของกูเพื่อให้โกรสุขโกรธเกลียดกลัวก็กูเหมือนกันเพราะมีกูก็เลยเกิดความโกรธมึงด่ากูเกลียดเพราะว่ามึงทําร้ายกูกลัวก็คือว่ากลัวกลัวกลัวกูจะเจ็บกลัวกลัวกลัวกูจะสูญเสีย หรือว่ากลัวตัวกูจะหายไปคือพอตายแล้วกลัวว่าตัวกูจะดับไปนั่นกิงกามเกลียดรนตะิ่ะที่ซึ่งเกิดจากโลภะแล้วก็กดเกลียดกลัวซึ่งเกิดจากโทสะเนี่ยมันก็ล้วนแ ต, แต่มาจากโมหะมีมีกูของกูหรือว่ายึดในกูของกูไว้มีความเชื่อมีกูแล้วก็ยึดในความเชื่อนั้น อถ้ายังมีกูอยู่มันก็ยังว่ายังยังมีอวิชชาอยู่นะแต่พออวิชชาหมดไปเพราะปัญญาเกิดนะไอ้ความไอ้ตัวกูก็หมดไปด้วยมันก็ไม่มีความทยานอยากที่จะยึดอะไรเป็นของกูลแล้วก็ไม่มีความรู้สึกกลัวอะไรต่อไปเพราะว่าไอ้ที่กลัวก็เพราะมีกูนั่นอย่างที่ว่า การปฏิบัติเนี่ยของเราเนี่ยก็ปฏิบัติเพื่อเพื่อให้ได้เกิดปัญญาขึ้นมาเพื่อลดโมหะอย่างสิ้นเชิงที่จริงโมหะเนี่ยมันก็มันก็ลดได้นะมันก็บรรเทาได้เมื่อถ้าจิตได้พัฒนามีสติขึ้นมาพอมีสติความรู้สึกตัวเนี่ยโมหะมันก็หายไปนะเพราะความลืมตัวก็เป็นโมโมหะอย่างหนึง่ง ความลืมตัวยังมียึดยังยึดยังมีความเชื่อในตัวกูอยู่แต่ว่ามันไม่ปรุงเป็นตัวกูนะถ้าเกิดมีความสึกตัวแต่พอความสึกตัวหมดไปความลืมตัวมามันก็ไปยึดไม่มีกูลืมตัวเมื่อไหร่ตัวกูก็มาเมื่อนั้นแล้วอันนี้ก็แปลกนะลืมตัวเมื่อไหร่ตัวกูก็มาก็เกิดขึ้นทันทีแต่ถ้ารู้สึกตัวเมื่อไหร่ตัวกูก็หายไป คือรู้สึกตัวได้เพราะมีสติสตินี่ก็เรามาถึงสมาสตินะสมาสตินี่ก็เป็นธรรมฝ่ายฝ่ายจิตนะฝ่ายเรียกว่าฝ่ายสมาธิในอริยมรคงแปเนี่ยมันก็จะมีศีลสมาธิปัญญาสมาชีวะสามากรมันตาสามาปจานี่ก็ฝ่ายศีลส่วนสมาวยมะความเพียรชอบสามาสติสมาสติสมาสมาธิ ก็อยู่ฝ่ายฝ่ายจิตนะถ้าเจริญถ้าทำให้มีความเพียรมากขึ้นมีสติมากขึ้นมีสมาธิมากขึ้นเรียก ว, ว่าจิตตภาวนานะส่วนสมมาทิฏฐนะิแล้วก็ความดำริชอบเนะี่ยมันเป็นเรื่องของปัญญาภาวนา อันนี้พระัฒนาการเจริญสติเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นการพัฒนาทางจิตอยู่แต่ว่าการพัฒนาจิตก็มีส่วนช่วยทำให้โมหะเบาบางได้เหมือนกันนะมันไม่ถึงกับว่าไม่ได้ทำให้ไม่ได้ทให้ไม่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาโมหะแต่ถ้าเป็นสมาธิเนี่ยนะสมาธิ สมาธิที่เป็นความสงบนะอย่างเดียวเนี่ยมันก็แค่ลดโลดภะโทสะแต่ว่ า, าไม่ช่วยทําให้โมหะเบาบางเลยแต่อย่างน้อยๆเนี่ยให้เราให้เราตระหนักว่าเนี่ยไอ้ความทุกเนี่ยที่เกิดขึ้นกับใจเราเนี่ทุกครั้งไปเนี่ยรู้แล้วแต่เกิดเพราะจิตมันดิน้นไม่ว่าดิน้นเพราะอยากได้อยากมีหรือดิ้นเพราะอยากผักใส นะทุกใจเมื่อไหร่ก็อย่าพึ่งไปไปโทษข้างนอกไอ้นะขา้างนอกอาจจะมีส่วนแต่ว่าตัวการใหญ่ที่ใจใจที่ดิน้นพอลองทำใจให้ยอมรับดูนะยอมนะยอมบางแห่งก็าชอบสีโรล่ามนะยอมเสียนงะมันจะดังยังไงเออก็ยอมหรือว่าช่างมันนะ ว่าว่ารู้ซื่อๆก็ได้นะรู้ซื่อๆเนี่ยรู้ซื่อๆก็เป็นการยอมแบบหนึ่งนะก็คือว่าไม่ผักใสแล้วก็ไม่ไฝ่หาฝึกใจให้มันเป็นอุเบกขาหรือว่าเป็นกลางกลางหรือว่ายอมก็ได้นะมันก็ทำให้ใจสงบอย่างคนไข้เนี่ยพอยอมนะยอมเจ็บป่วยก็ยอมแล้วออใจมันยอม ก็จะรู้สึกดีขึ้นมนะันมีความมีทุกขเวทนาไงก็ยอมไม่สู้กับมันนะแต่ก็ไม่ไม่ไปหลงเพลอไม่ไปหลงติดในมันนะไม่ใช่ไปจดจออยู่ความเจอความปวดยิ่งทุกข์ใหญ่เลยนะอันนั้นก็ไม่ใช่อันนั้นก็เป็นความยึดติดแบบหนึ่งยอมเนี่ยมันคือการที่วางใจเป็น ก, นกลางๆางไม่ผักสายไม่ใฝ่หาเพียงแค่รู้สื่อเ่ยอันนี้อันเดียวกันแต่ใช้ภาษาต่างกัน นะรู้จักปรับจิตปรับใจขงเราในลักษณะนี้บ้างนะอย่างน้อยก็ไม่ไปคิดต่อสู้ดิ้นรนขัดขืนกับอะไรในใจอันนี้เราเป็นการทําจิตนะส่วนเรื่องการทํากิจก็ว่ากันไปเจ็บป่วยก็ต้องกินยารักษาแต่ว่าใจมันก็ยอมมีทุกขเวทนาก็เออก็มียาที่จะบรรเทาได้ก็ทําไปเนะี่ยแต่ในรองที่มันยังไม่หายก็ ไม่ไปต่อสู้ขัดขืนกับมันอะล่ะชาตินี้พูด ก, กันเท่า น, นี้กลับร